ธรรมะชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27ทธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเศรษฐีขอแบ่งบุญวันนี้เป็นวันที่27ด ธันวาคมพุทธศักราช2557วันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28เป็นวันครปรอบที่พวกเราได้นัดกันศรัทธาญาณโยมพร้อมพระสงฆ์ที่ได้ไประชุมหารหือกันปรึกษากันว่าเดือนหนึ่งน่าจะมีการพบ สังสรรค์เรียกว่าพบในการประพฤติปฏิบัติธรรมในบรรดาลูกศิษย์คณะศิษย์ขององหลวงตาพวกเราก็ได้นัดเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือนแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันครบอาทิตย์ที่พวกเราจะได้ร่วมกันบาเพ็ญกุศลแล้วก็เมื่อพบกันแล้วพวกเราก็ควรจะทำประโยชน์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 พวกเราก็ได้มารวมกันไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็หลวงพ่อเองในฐานะประธานหรือว่าเป็นหัวหน้าที่นั่งหัวแถวก็จะได้กล่าวสมโมทนิยกาถาปารลบเรื่องวันพรุ่งนี้หรืหว่างงานของพวกเรามีอะไรบ้างถ้าไม่มีการปารลบจะเลยมาแล้วก็ ไหว้พระจบแล้วก็ฟังเทศขององค์หลวงตาแล้วก็พวกเราไม่ได้ผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ไม่รู้ว่า ก, กฎกติกาของท่านมีอะไรบ้างอันนี้เพราะด้านหลวงพ่อมาแต่และครั้งก็ได้พูดยกประเด็นนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังเพื่อเป็นการได้รับรู้รับทราบร่วมกันเพราะการอยู่ด้วยกันมากอ่า มาหลายท่านจะต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันเพะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้มารวมกันแล้วก็ทําพิธีไหว้พระแล้วก็วันพรุ่งนี้เช้าก็คงจะมีพิธีการตักบาทแล้วก็ถวายพระทาหารจากนั้นแล้วก็จะมีการถวายผ้า ป, ป่าสามัุคีเพื่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาแล้วก็ถวายผู้ที่จะร่วมทาบุญเสียงธรรมเพื่อประชาชนกับองค์หลวงตาก็ได้อย่างตู้เซฟสองใบตั้งเรียงกันมาคราวนี้ข้าพระเจ้าจะบูชาพระธรรมคำสอนขององหลวงตาเผยแผ่ธรรมะเพราะว่าให้ทรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงต่าการให้ทำ ชี้แนวทางให้คนรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนั้นทันว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้อย่างอื่นให้เงินคําทรัพย์สมบัติพอกินไปแล้วก็แล้วหมดไปแต่ให้ความรู้ความฉลาดเนี่ยหมดไม่เป็นเอาไปใช้เอาไปบริหารจัดการกับตัวเองเอยิ่งให้ธรรมะริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ยิ่งเลิศประเสริฐจนท่านจึงว่างให้ความรู้ความฉลาดให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงชนะการให้เงินคําทรัพย์สมบัติให้สิ่งให้ของแปลว่าการให้ทำเป็นการชนะเลิศประเสริฐกว่าการให้สิ่งของทั้งปวงเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาสู่วัดเราก็อ่านรู้ว่าอืมอันนี้คือเป็นการบูชาธรรมขององค์หลวงตา อ, องคหลวงตาจะได้ประกาศพรระธรมคําสอนทุกวันเพราะว่าการประกาศทำคำําสอนถ้าพวกเราไม่มีใครพูดใครกล่าวอะไรให้ฟังพวกเราก็คงไม่เข้าใจหรือไม่รู้ว่าการประกาศท ร, รเนี่ที่องค์หลวงตาแสดงทำเนี่มีค่าใช้จ่ายไหมมีนะคณะทถาจารย์โ ย, ยมลูกหลานาตั้งแต่องค์หลวงตายังมีชีวิตอยู่ท่านก็ พวกเราก็เข้าไปหาองค์หลวงตาบอกว่าไท ค, คมสองเนี่ย เ, เขาคิดปีละห้าล้านหลวงตาหลวงตาถ้าจะเหมาไปเลยปีละห้าห้าล้านห้าล้านเนี่ยสามสิบปีเหกปเีเขาจะยืนพื้นเขาจะยืนพื้นให้หกปีเขาจะไม่ขึ้นไม่เกินถ้าหากว่า ถ้าหากว่าไม่ไม่ไม่เหมาใจยืดเพ้นะ่ะเขาจะาคิดเป็นปีๆทางว่าปีไหนลงก็ไม่ว่ากันแต่ปีไหนขึ้นก็จะขึ้นเออนี้พวกเราก็ประชุมหารือกันถกเถียงกันบรรดาสิทธิ์ไม่มีใครที่จะตัดสินใจได้เพราะนั้นพวกเราก็เลยบอกเอา้าขึ้นไปหาท่านที่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องขององค์หลวงตานี่ ไม่ใช่เรื่องของเราจะเป็นผู้จ่ายเมื่อไหร่หลวงตาจะจ่ายหรือไม่จ่ายหลวงตาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติมันเป็นเรื่องของหลวงตาจากนั้นพวกเราพระเกือบยี่สิบเกือบสาสิบองค์ก็ขึ้นไปกราบหลวงตากับกราบเรียนท่านว่าหลวงตาครับหลวงตาจะจ่ายเป็นปีๆหรือ ว, ว่าจ่ายห้าปีเขาคิดห้าล้านบาทแต่ต่อหนึ่งปีหลวงตาจะจ่าย อจะยังไงครับผมทุดแท้แต่องค์หลงตายจะพิจารณาเอายังไงครับผมพวกผมพวกเก่าของผมไม่ไม่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ลงตาก็นรับนับท่านก็หลับตาเน่งอันนี้เขาเอาทีเดียวใช่ไหมเขาเอาครั้งเดียวใช่ไหมเราก็เลยกราบเรียนท่านว่ า, าปีชนปีกับผมปีนี้เขาเอาห้าล้าน ปีต่อไปเขาเอาอีก5ล้านปีต่อไปเขาอีกทุกปีกับผมจนถึงครบ6ปีหลวงตาถ้านบอเออเอาตกลงนะนตกลงอันนี้ก็คือจ่ายเฉพาะค่าเช่าดาวเทียมไทยคมสมัยนั้นนะและก็ค่าใช้จ่ายในสถานีวิทยุที่บ้านตาดอีค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานาดูแล อ, อีก อ, นนอันนั้นใช้เกือบเดือนนะเกือบเป็นแสนบางเดียวนี่มันอาจะแสนกว่าๆเพราะเราเพิ่มเงินเดือนให้เขาเป็นแสนต้นๆอนนัไม่มากแต่ที่ยังไงก็มีค่าใช้จ่ายตลอดที่สวนแสงธรรมของเราสวนแสงธรรมก็ถามคุณชายรู้ใว่าเดือนหนึ่งก็หมดไปหลายหมื่นเหมือนกันค่าน้ําค่าไฟค่านรูแลสถานีวิทยุเพราะฉะนั้น ถามว่าเรามีค่าใช้จ่ายไหมก็อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราไม่ต้องหนักใจเพราะบุญบารมีขององค์หลวงตานี่ท่วมทน้นแต่พวกเราอยากจะได้บุญ อ, อยากจะบูชาพระธรรมคําคสอนของท่านที่เราได้รับพระธรรมคําคสอนขององค์ท่าน เ, เราอยากจะได้บุญเราจะโมทนาทําบุญติดกันเทศให้ถวายท่าน คนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันนะะหรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้แต่เราก็ไม่ได้บุญนะเราก็ได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราบูชาพระคุณท่านเราก็ได้บุญที่ว่าเราส่งเสริมถวายพระธรรมคำสอนขององค์หลวงตาให้ทำเป็นทานก็คือเราส่งเสริมเนี่ยค่าธรรมเทศนาค่าไฟค่าเช่าดาวเทียมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เพราะนั้นเลือกสถานีวิทยุของเรามีค่ า, าใช้จ่ายและก็พร้อมกันพวกเรา ค, คิดอยากจะสร้างพระเจดีย์ถวายประคุณขององค์หลวงตาเพราะประคุณหลวงตาเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติถ้าหลวงตาล่วงลับดับขันไปแล้วพวกเราไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องเชิดชูบูชาถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะนั้นพวกเราในฐานะสิทิอนุสิท์ทั้งหลาย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 ตรวจรับงานอย่างนี้แหละให้เข้าตั้งเป็นกลุ่มเมื่อวันนี้ก็เพียงหารือเป็นหลายครั้งแล้วละ่ะแต่อยูที่สลากลางเนี่ยครั้งนึง่งแต่วันนี้ก็ได้มาประชุมกันเป็นรูปธรรมอีกระดับหนึง่งคงจะประชุมกันหลายครั้งก่อนที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา เ, เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดพวกเราไม่ต้องหนักใจเพราะบุญบารมีขององค์หลวงตานี่ ถึงอย่างไรพวกเราทําแบบสสบายแต่ไม่มีส่วนร่วมเลยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกนะเพราะว่าหลวงตาเป็นผู้มีคุณนูปา ก, การพวกเราควรจะมีเป็นอามิชบูชาอาบูชาพระคุณพระ ค, คุณขององค์หลวงตาอันนี้ก็ควรจะมีนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยวันที่วางศีลละเลิกครั้งแรกที่จะสร้างเจดีย์แต่คราวนั้นก็พับไปแล้วแต่หล ว, วงพ่อยังไม่พับนะ หลวงพ่อยังยืนยืนยัดคําเก่าอยู่ที่หลวงพ่อประกาศว่าเจดีย์ JD พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเมื่อไรอย่างไรผมเองในกลุ่มของหลวงพ่ อ, นอในคณะสิทธิญาชสิทธิและกลุ่มของหลวงพ่อหลวงพ่อรับที่จะหาทุนเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยห้าสบล้านบาท หลวงพ่อยังยืนยัดยังยืนยันคําเก่าแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้หนักใจเพราะเหตุใดเพราะว่าหลวงพ่อก็บอกว่าการที่จะถาวายหลวงตานี่ไม่ใช่เอาเงินก้อนนะถ้าว่า ง, งวดนี้งวดหนึ่งจงวดหนึ่งยี่สิบล้านหลวงพ่ออาจจะรวบสมทบสองหรือสามล้านต่อไปอีกงวดนั้นเท่านั้นหลวงพ่ออาจจะเพิ่มเขาอีกจนกว่าเจดีจะแล้วเสร็จทุกจาก่ายหลวงพ่อรับว่า จะช่วยเจดีของหลวงตาเพื่อเป็นอามิทชบูชาแต่ปฏบิบัติบูชานั้นเต็มหัวใจมีใจเท่าไหร่หลวงพ่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาในการคิดดีทดําดีพูดดีเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาแต่อามิทชบูชาเป็นสิ่งภายนอกหลวงพ่อจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะว่าถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อ เพราะนั้นคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังอย่างวันพรุงนี้แหละพวกเราจะได้ทอดผ้าป่าสามัคคีทั้งสองอย่างคือบูชาเสียงธรรมะขององค์หลวงตาบูชาพระคุณคือสรีระร่างกายของหลวงตาที่เราจะบรรจุพระาธาตุขององค์หลวงตาคือกระดูกคือพระาธาตุขององค์หลวงตาเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตา ทั้งสองอย่างและก็พร้อมการเมื่อวันพรุ่งนี้เมื่อเราทอดผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์อารุมโมทนาให้พรแล้วก็จะมีการเททอง เ, อเททองหล่อรูปเหมือนองค์หลวงตาในกำลังพวกเราเห็นกำลังที่เผาหุ่นอยู่เนี่ยแล้วก็วันพรุ่งนี้ เ, เสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็คงจะร่วมรวมกัน สวดอิตธิปิโสหรือสวดชัยมงคลคาถาจากนั้นพวกเราจะได้ร่วมกันหล่อลูกองค์หลวงตาเมื่อหล่อแล้วเอาไปไว้ที่ไหนคณะกรรมการกุญชายบอกว่าจะเอาไว้ที่ห้องห้องธรรมมะข้างบนสลาหลังนี้แหะที่เรานั่งในชั้นล่างนะจะเอาขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนลูกเหมือนที่เราจะหล่อนี่ยแะเอาไว้ที่สวนแสงธรรมแห่งนี้แหละ เอาไว้กราบไหว้เคารพสักการะบูชานี่แหละวันพุ่งนี้ก็ท้าวคณะรัตายาติโยมลูกหลานทุกคนทนะั้าเมื่อได้ยินแล้วก็บอกต่อๆกันชักชวนกันมาสร้างบุญสร้างกุศล ร, ร่วมกันรวมพลังรวมพลังกายวาจาใจของพวกเราเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาเพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นมงคลของพวกเราและก็พร้อมกัน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 และกับพร้อมกันการทำความดีนั่นแหละเลิศประเสริฐกว่าหลวงพ่อเคยพูดว่ า, าทำความดีก่อนดีกว่าขอพรแต่บางคนบางท่านจัดทาญาติโยมหลวงพ่อ เ, เป็นพระสาธารณะเป็นพระ เ, เห็นจัตยาญาติโยมบางคนก็ไป ขอพรตะบี้ตะบันทุกวันบางทีก็กินเหล้าเมาอีกต่างหาหัวฟัดหัวเวียงไปขอพรก่อนเข้าพรรษาตอนออกพรรษาพรปีใหม่อกินเหล้าเมาซะก่อนไปขอพรอแต่ตามไม่จริงเราต้องทําความดีซะก่อนจึงขอพรอมันจึงจะถูกนะ เ, เราสร้างคุณงามความดีซะก่อนเราจึงขอพรไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ขอพรด่าไปเลยตัวเองก็ มองหาคุณงามความดีตัวเองก็ไม่ได้ทั้งเผลอๆออยังเมาหัวพัดหัวเวียงอีกเนีย่ยไปขอพอรจากพระอีกเอ่พระโอ้จะข อ, อยังไงเอ่ยังไปเถีย ก, กับพระอีกอยากจะได้พรฮะดูๆแล้วมันยังไงเพราะฉนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการทําคุณงามความดีนั่นแหละดีกว่าขอพอรแต่ตามไม่จริงทําคุณงามความดีแล้วเราไปขอพอรน่ยเป็นเสริมเข้าไปอีก อันนั้นคือเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างชายทุกตะทั้งสมัยก่อนพะอน ร, ร ะ, น ะ, พะอนุรุทธเถระนะพระอนุรุทธอนุพระอนุรุทธเถระท่านสวยชาติชาตินั้นท่านเป็นทุกตะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าคามขายเลี้ยงเลี้ยงชีพเกี่ยวหญ้าคาขายเลี้ยงชีพ มีแต่มีลูกขึ้นมาแต่คงจะไม่มีคงไม่มีลูกคงจะมีแต่ครอบครัวมีแต่สามีพันยาออตอนเช้ามาได้ก่อนไปแต่เช้านะไปเกี่ยวหญ้าคาเสร็จแล้วก็ผู้แม่บ้านเขาก็ทําอาหารออรอไวออ้พอเกี่ยวหญ้าคามาเสร็จแล้วก็วางหญ้าคาเสร็จแล้วก็เอาเออกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาไถหญ้าและก็ขายหญ้า อันนั้นคือชีวิตที่ท่านอนุรุท ธ, ธาเนี่ยตกทุกข์ได้ยากอ่แปลว่าทำอย่างนั้นเป็นประจำแต่วันหนึ่งท่านก็อนุรุท ธ, ธาท่านก็อนนี้เป็นทุกขตาเนี่ยยังไม่ใช่อนุรุท ธ, ธานะเป็นทุกขตาท่านก็ไปเกี่ยวหญ้าไปเก็บหญ้าคาคือวันหนึ่งไปเกี่ยววันหนึ่งไปเก็บลักษณะอย่างนั้น่พอเกี่ยวเสร็จแล้วเอามาไม่ได้นะมันต้องตากให้แห้งซะก่อนพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็ตากตา ก, ตา ก, ตาก และก็วันต่อไปแหละไปเอาจำนวนที่มันตากแข้งนั้นอกลับมาแล้วกับภพ่วันนี้ก็ไปเกี่ยวไว้ตะกอนงานะพวกอาชีพเขาเกี่ยวยญ้าคาทําหลังคาอย่างทำหลังคาแฝกหลังคาย่าคาเนี่ยทีนี้เข้ากนับไปหาบมาเสร็จแล้วหาบมาเสร็จแล้วท่านก็มาวางไว้ที่บ้านแล้วกไ็ไปอาบน้ํานำไปอาบน้ําอาบท่าแล้วจะกลับมาแล้วก็ทานอาหาร พอทานอาหารเสร็จแล้วก็จะภัยยากขายต่อไปท่นนั้นคือชีวิตประจําของทุกขตะแต่ตอนนี้ท่านก็ไปอาบน้ําพออาบน้ํากลับขึ้นมาเห็นพระประเจกพระประเจกพุทธเจ้านะพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่ในภูเขาขันธมาศอยู่ในป่าหิมพานท่านเข้าฌานสมาบัติท่านไม่ฉันอาหารเจ็วันใหอันนี้นคันว่าพระ พ, พระประเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกที่ขั้นเข้าฌานจะมาบัดเข้านิโรธจะมาบัดท่านไม่ฉันอาหารเจดวันคล้ายๆว่าขั้นเข้าสู่นิพพานในขณะที่ยันท่านยังมีชีวิตอยู่พระอรหันที่จะเข้าสู่นิพพานได้สามจำพวกเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทพปัตโตแต่อรหะอราหันที่เป็นสุขวิปชโก ท่านบำเพ็ญทางด้านปัญญาพิจารณาแล้วก็เห็นอนิจังทวกขังอนัตตาและก็ตัดกิเลสท่านพระอรหันตุขวิปัสสโกนี่จะเข้านิโรธสมาบัตไม่ได้พระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัตได้ก็คือพระอรหันต์สามจำพวกในนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านอยู่ในป่าท่านก็เป็นรองจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระปัจเจพ ก, พ, จเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกพระปัิเจกพุทธเจ้าเหนือกว่าฤทธเดชนี่ อภินิหารบุญหนักศัก์ใหญ่กว่าพระหานกษาวกท่านอยู่ในปา่าท่านก็เข้านิโรธสมาบัติของท่านไม่สวยไม่ทานไม่ฉันอาหารเจ็ดวันท่านเข้าสู่วิมุตติสุขคือเข้าสู่นิพพานเข้าสู่นิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เดีวยอุ ป, ปาทิเสสนิพพานถ้าหากว่านิพพานขณนะที่ ร่างกายแตกสลายตายลงไปเนี่ยเรียกว่าอนุปาที่เสสนิพานอุปาที่เสสนิพาน อ, อนุปาที่เสสนิพานคือกืญิพานมีอยู่สองแต่พระปัิเจ้าพรุทธเจ้าท่านเข้าอุปาที่เสสนิพานท่านเข้าไปหามุมสงบท่านก็ตั้ ง, งจิตอธิษฐานเออเราจะเข้าเสวยวิมุตติสุขสักเจ็ดวันอเหมือนกับท่านขับรถไปแล้วไปอยู่ ที่ปลอดภัยจะไปจอดในถ้าแล right away, profiles, ้วไปจอดที่ล่มเสร็จแล้วท่านก็ติดเครื่องเอาไว้น่ยชึงชึ้งชึ้งชนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ดับเครื่องนะร่างกายได้ยังหายใจปกติอยู่หายใจหัวใจท่านก็เต้นปกติอยู่แต่ท่านไม่มีความรู้สึกท่านเข้าสู่นิพพานไปสวยวิมุตติสุขพระฐายใจของท่านความรู้สึกของท่านเข้าสู่นิพพาน ความบริสุทธิ์ของท่านแต่ร่างกายของท่านเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนั่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่แต่ว่าท่านไม่มีความรู้สึกท่านเข้าสู่นิพพานก็ว่าเข้าสู่อุปาทิเสสนิพานธาตุแต่จากนั้นเมื่อท่านออกมาออกมาได้กำหนด เ, เข้าไปชมนิพพานสวยวิมุตติสุขในนิพพานแล้วท่านก็ออกมาเข้ามาสู่ร่างกายเหมือนกับ ในขนาดนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนกับพวกเราขับรถไปไปก็ไปจอดรถไว้อยู่ในอยู่ในที่ปลอดภยัยจากนั้นเราก็เข้าไปชมตลาดลักษณะอย่างนั้นแหละเข้าไปชมตลาดเข้าไปเที่ยวตลาดพอไปเที่ยวได้เจ็วันแล้วแต่ท่านก็กลับมาหารถใช่ไหมพอกลับมาหารถท่านก็ขึ้นมาขับรถพวกเราคิดดูซิว่าในขณะที่ติดเครื่องไว้ทั้งเจวัน น้ำมันมันจะเป็นยังไงน้ำมันจะปกติไหมน้ำปกติไหมน้ำมันปกติมันต้องแท้งใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อท่านเข้าสู่ อ, อุปาทิเสสนิพานท่านกลับมาหาร่างกายของท่าน เ, เพอเข้าสู่ร่างกายท่านก็หิวอะไรตัวนี้เพราะร่างกายมันมันเป็นธาตุสีได้ความบกพร่องของร่างกายมันก็หิวนะร่างกายท่านก็หิวหิว อาหารหิวใครข้าวามันขาดนเน่อมันขาดที่จะต้องหาสิ่งมาเพิ่มเข้าอีก อ, อาหารบังน้ำบังอะไรเถเี่ยเ่ท่านก็พอเข้ามาร่างกายท่านก็พิจารณาดูเ อ, เ, อเราจะไปโปรดใครนะใครจะมีศรัทธานะนี่ยท่านก็มองดูท่านก็เห็นเนี่ยทุกขตะเนี่เป็นผู้ภยัยญาตนะอเออเราจะไปโปรดทุกขตะคนนี้ ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามทำบุญกับเราในวันนี้เขาจะปราถนาอะไรปราถนาเป็นเศรษฐีหรือปราถนาเป็นกะหาบดีถ้าพระราชาว่างในช่วงนั้นกับปราถนาเป็นพระราชาก็ได้เป็นพระราชาเเพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทำกับพระประเกศพุทธเจ้าที่ออกจากนิโรธสมาบัติหรือว่าทำกับพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติกุศลเอทยท้ายว่าถูก ถูกลางวันหัวแจ็คพอตไป็นร้กี่เท่าเลยละ่ะแปลว่ารวยขึ้นมาแบบมหามหาศารเลยละ่ะ เ, เพราะว่าเราได้ทําบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหานตสาวกผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติจากนั้นพระปัจ เ, เจกพุทธเจ้าถ้าก็มองเห็นก็คงจะเป็นอุปนิสัยเก่าแก่คงจะได้ทําบุญร่วมกันกับพระปัจเจกสมัยก่อนเก่านั่นแหะ พระปัเจก็มองไปก็เห็นทุกกตะคนนี่แหละอที่จะทําบุญกับกับองค์ท่านจากนั้นก็ห่อมาเลยพ่อห่ะมาท่านก็เดินบินทบาทชายทุกขตะคนนี้ก็ไปอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินสวนมามาเห็นพระปัเจก็เกิดความเคารพทะนี่คนที่เห็นที่เป็นอุปนิสัยอมีอุปนิสัยดั้งเดิมเก่าแก่พอเห็นกันก็ ต้องอกต้องใจเกิดความครบรัศรัทธายอย่างสดชื่ะเลยมันไม่เหมือนกับคู่อริศัตรูกันนะถ้าคู่ศรีอตูกัพอมองเห็นกันเท่านั้นนะยังไม่เคยพบเคยเจอกันเลยนะมันขว้างตาเออมันเป็นอย่างนั้นนะแต่นี้ทุกกตะเห็นพระปฏิเยกพุทธเจ้าเห็นแล้วแปลว่าเกือบจะหมอบคารกับดินเข้าไปกราบท่านเลยนะ อ, อท่านก็บอกว่าพระคุณท่านบิดาบัดได้อาหารและอยังครับผมพระปฏิเจกท่านก็เน่ง อไม่ได้รอกโยมท่านก็ไม่ว่าใช่ไหอขอเปิดบาดสิดูซิครับผมพอเปิดขึ้นโอ้อาหารยังไม่มีขอที่มโนกับผมไปตามตามกับผมไปกับผมจะทําบุญกับผมอพอพระปเจกเดินตามหลังทุกกะตะไปพอตามไปถึงะอทุกะตะก็เรียกแม่บ้านเอออาหารของผมยังมีไหมมีอยู่ตั้งแม่บ้านเออเอามาให้ผมหน่อยผมจะทําบุญ เอเสร็จจากนั้นได้อาหารเสร็จเรียบร้อยก่นอนพระปฏิจเจกเขยืนรอคอยอพอเขี่ยอาหารลงไปครึ่งหนึ่งพระปัิเจก็บอกว่าเอาไอโยมทานซะอนะอขอยโยมก็หิวเหมือนกันใช่ไหเพอไปเกี่ยวญ่ามาใหม่ๆแต่ทุกกตาเนี่บอกว่าเอาเถอะพระเจ้าค่า อ, อาหารนี่เป็นอาหารคนคนเดียวเข้าวพระเจ้าจะถวายไม่มีส่วนเหลื อ, อถวายพระ พะผู้เป็นเจ้าทั้งหมดครับคราบผมใครค้าว่าตัวเองเนี่ยยอมอดยอมตายเลยว่างนันเอะไม่ได้กินวันเดียวไม่เป็นไรด้วยศรัทธาของทุกตะน่จากนั้นก็เกียรลงบาตเสร็จแล้วก็ทุกตะก็ตั้งความปราถนาเลยทีเียเสาธุนะข้าพระเจ้าเกิดพบใดชาติใดคำว่าอดอยากเรว่าความคำว่าไม่มี คำว่าข้าพเจ้าจะจะได้รถเบ้นลดโลสลอยลถอะไรทองคํากี่หมื่นเอเงินคําเท่าไหร่คําว่าไม่มีเฮอย่าได้อย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินเฮ่แต่เราพูดแบบง่ายๆนะพูดง่ายๆแต่ว่าโอ้โหกินความหมายลึกเหลือเกินเนะี่ยหลวงพ่อว่านะอันนี้ไม่ใช่ท่านว่านะหลวงพ่อว่าท่านบอกว่ า, วาขอป้อข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดคําว่าไม่มี ในสิ่งที่ข้าพระเจ้าต้องการอย่าให้ข pues ้าพระเจ้าได้ยินคํานั้นเพราะพระเจ้าก่อนท่านรู้อุปนิสัยแล้วว่าเอเขาปรารถนาอย่างที่เขาว่าจะสําเร็จไหมนี่ไอ้พระปเจก็มองอีกนั่นท่านมองด้วยญาณญาณทัศนะของท่านรับโอ้สาเร็จจริงเนี อใ น, นสงของเขาปรารถนาจีนี้สําเร็ิจริงพระพรทองค์พระพัทเจียพระเทเจ้กาก็ให้พรนะเอวังโหตุเอวังโห ต, หตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาเถินจะ่ในทุกขตากสาทุในใจพอสาธุในใจท่านั้นเะเทพพระดาเทพพยดาอยู่ในบ้านของเศรษฐีน ะ, อ, ะอยู่ในอยู่ในใกล้ๆกันเพราะใช ทุกขตาในไปภายย่าอยู่ในละแวกไกล้ใกล้กาใกล้ก ล, กลบ้านเศรษฐีเทวดาได้เห็นการทำบุญท่านั้นเทวดาสาธุสาธุสาธุอยู่ในบ้านเศทฐีก็ถามอ้าเป็นใครพูดเนี่ยบะทำไมไม่เห็นตัวทำไมมิได้ยินเสียง เ, ยเทวดาบอกว่าเทวดา อ, อยู่ในบ้านของท่านเอาท่านสาธุอะไร สาธุพ่อทุกตะเขาทําบุญวันนี้เขาตักบาตรพระประเจกพระรัจ้าเอาเขาตังตักบาตรพระประเจกพระธเจ้าพระประเจกให้พรเขาขออนุมโมทนาเนียเทวดาบอกพระเศรษฐีก็บอกว่าเอา้าเทวดาข้าพรเจ้าทําบุญวันล 6, ะหกแสนกหาปณะนะเสี่มุมเมืองประตูประตูทางเข้าเมืองสี่ สี่ประตูเออแล้วก็หน้าบ้านของเราอีกหนึ่งแล้วก็กลางเมืองอีกหนึ่งเป็นหกเราทาบุญวันละหกแสนกหาปณะนะท่านไม่เห็นเหรอท่านทำไมจึงไปอนุโมทนากับทุกกตะทาบุญเพียงครั้งเดียวเทวดาบอกว่าโอ้อาการทาบุญของเทวทุกตะกับท่านมันคนละแนวกันอันนี้คือ การทําบุญพุกตาเนี่ยทำบุญกับพระปฏิเจรพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติท่านเนี่ยทำบุญให้คนทั่วๆวไปมีศีลบางมีศีลห้าบางไม่มีศีลมากโดยมากคนไม่มีศีลจะมากกว่าแต่นี้พระปฏิเจรพุทธเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติหาได้ที่ไหนไม่ใช่ของหาไดหาได้ในโลกเนี่ยเพราะนั้นท้าสุกตะทําบุญในคราวนี้เป็นบุญกุศลมหาศาลอันหน่าอนุโมทนา อย่างอย่าง เ, เขาก็ทําอย่างสุดซึ่งของเขาอีกต่างหากน่าเอาุรมโอษนาโอพอเศรษฐีได้ยินเท่านั้นแหละว่าเนี่ยโอจะไงยังไงเราก็ต้องไปแบ่งไปแบ่งเอาเอศรษฐีมึงมีแต่ใช้เงินใช่ไหมละ่ะเหมือนกับเศรษฐีต่างๆเขามีอะไรก็ไปซื้อเอาซื้อเอาลักษณะอย่างนั้นน่ะเศรษฐีเนี่ยเคจะไปซื้อบุญอีกทีน่ะแกเข้าไปหาทุกข์กต่ายโอทุกขตาแต่แกทําบุญแล้ววันนี้ โอ้รับผมทำบุญยังอิ่มอยู่ในบุญอยู่เนี่ยเดี๋ยวเนี้ท่านเศรษฐีาเอา้อถ้าอย่างนั้นเ อ, เอาให้เราซะเราจะซื้อเออกรคือแบบซื้อราคาน้อน้อยใช่ไหมล่ะเจ็ดแปดบาทสิบาทลักษณะอย่างนั้นเอ่อทุกตาโอ้ยไม่ขายยังไงไม่ขายพอใ น, นสุดจนถึงแบนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ขายโอเออทุกตาบอกว่า ถ้าผมจะแบ่งให้ท่านได้ผมจะต้องต้องถามพระปฏิเจกพุทธเจ้าซะก่อนถ้าผมถามประเจกพุทธเจ้าแล้วพระองค์บอกว่าแบ่งให้ได้ผมจึงจะแบ่งถ้าท่านว่าแบ่งให้ไม่ได้ผมจะไม่แบ่งเออเอาทำยังไงท่านที่จะมาอีกเทุกตาก็บอกว่าผมมั่นใจว่าปฏิเจกพุทธเจ้าท่านมียานรัตนะ ท่านเราตั้งจิตอธิษฐานพระองค์ท่านก็คงจะมาโปรดเอ่จากนั้นทุกตาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานพระประเจก็มาอีกทีนึงมาเขาเนี่ยก็เลยถามพระประเจกว่า ข, ข้าพระเจ้าจะแบ่งบุญให้เศรษฐีที่เขาอจะเอาเงินให้เนี่ยจะเป็นประการใดหนอกระผมจะแบ่งให้ได้หรือแบ่งให้ไม่ได้ออย่างไรพระปเจพเจุยไถเจ้าบอกว่า ทุกตาเหมือนเธอมีมีไฟเล่มมีเทียนเล่มหนึ่งจุดเทียนอยู่จุดจุดเทียนอยู่เล่มหนึ่งถ้าว่ามีใครมาขอจุดเทียนมาขอจุดไฟจากเทียนของท่านท่านว่าไฟของเทียนของท่านะ่ะจะบกพ่องไหมทุกตาบอกไม่บกพ่องคาบผมไฟของขาบองค์ยังกางเกา่า เขาได้ไฟไป เ, เขาก็ได้ไฟไปใช่ไหมใช่ครับผมก็ไม่แพ้กันเออน่ะแหละอันนี้ก็เหมือนกันบุญกุศลถ้าเขาขอแบ่งให้ไปเลยนะให้เขาไปเลยถ้าเขาแบ่งสมบัติให้กับเอาเลยครับผมทุ ก, กตะก็เลยเศ ร, รษฐีก็บอกเอาไปไงทุกตะพระพเจกพุทธเจ้าท่านว่างไงนั่นแบ่งได้ครับเออเอาถ้ า, าอย่างนั้นผมจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งนึงเศ ร, รษฐีวานะ่ะ แบ่งครึ่งหนึ่งเลยมีซับแปดจีปวให้สี่จีปวดและก็บแบ่งอะไรทุกอย่างให้ครึ่งหนึ่งให้ทุกขตะเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นมิตรกันเป็นกาลยานมิตรที่ดีต่อกันทุกขตะก็เลยล่ํารวยขึ้นมาแบบทันทันตาเลยใช่ไหนี่แหละอันนี้ก็คือการทําบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่พระอนุรทุทธะในอดีตชาติของพระอนุรทุทธะนะท่านได้ทํา กับข้าประเจ้าผู้ใจเจ้าแต่มาในครั้งนี้ท่านี้พอท่านมาเกิดเป็นลูกผู้น้องของพระผู้ธเจ้าเนี่ยคือ พ, พระเจ้าจุโธโอทนะนี่มีน้องชายชื่อว่าจุธโอทนะสุโกโธนาะโตนะโตทนาะอนมิโตธนาะปามิตาอามิตาบน้องสาวสองน้องชายสี่คนแต่หลวงพ่อจำไม่ผิดนะให้พวกเราไปดูอีกก็ได้ในพุทธประวัติแต่อนุรทุทธาเนี่ยเกิดเป็น ลูกผู้น้องน้องชายของอพระเจ้าจุฑโทธนะคือพระบิดาของพระพุทธเจ้าของเราเท่านก็พร้อมที่จะสวยราชเหมือนกันนะ เ, เป็นน้องมหานามฮะมหานามก็คือเป็นพี่ชายของพระอนุรุธทธะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่นี้เพื่อเป็นน่มไปเล่นสักการกบแพ้เขาพอแค้เขาเราก็กินขนม ถ้าใครแพ้ให้ผลกินขนมคนนั้นออทีนี้ผลที่สุดก็อนุรุทธาเนี่ยแพ้เขามาตลอดเขาก็กินขนมอนุรุทธาตลอดเทีนี้ก็เวลากินขนมก็ไปบอกให้มหาดเล็กตัวเองไปเอาขนมแม่เอาขนมคุณแม่ไปมาเลี้ยงมูพ่อเอาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองขนมหมดทีนี้ขนมหมดอบอกแบบมหาดเล็กบอกว่าเอาพระลูกเจ้าครับ พระแม่เจ้าบอกว่าขนมหมดแล้วขนมไม่มีครับเออนั่นแหละเขาเราจะไม่เคยได้ยินว่าคาว่าไม่มีไปๆปไปเอาไปเอาว่าเอาขนมที่ไม่มีนั่นแหละมาให้เราดะเนีพ่อน่ะพ่อน่ะเกิดมาแล้วคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินฮะทั้งในผู้แม่มหาเล็กก็วิ่งจันเข้าไปหาพระแม่เจ้าครับพระลูกเจ้าบอกว่าต้องการขนมไม่มีคาว่าไม่มีน่อยากจะได้โอ้ ลูกของเราหนอคําว่าไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีฮะเอาถ้าวันนี้เขาจะรู้ว่าคําว่าไม่มีนั้นคืออะไรเนีทางพระมานดาของพระองค์ท่านอนุรุทธะนี่ก็เอาภาชนะใบหนึ่งมาทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็เอาใบหนึ่งมาครอบเลยใครๆเอาภ า, า, าชนะครอบเปล่าทั้งสองฮะใบหนึ่งเอาใบหนึ่งมาครอบไปส่งไปให้พระลูก ลู ก, ล, กลูกเรานะเขาไม่รู้ว่ามันหมดนั้นคืออะไรตอนนี้มหาดเล็กก็สั่งมาอย่างก็ต้องเอาไปอย่างนั้นใส่ในบา ก, ก็เดินไปเพื่อจะให้พระลูกเจ้าใช่นหมเทพพระยายดาทั้งหลายรักษาเมืองโอ้อันนี้คื อ, คอพระอนุรุธาเนี่ยอนุรุธะเนี่ยกุ ม, มารเนี่ย เขาตั้งความปรารถนาไว้กับพระประเจกพุทธเจ้าคราวนั้นคำว่าไม่มีคำนี้อย่าให้ได้ยินในข้าพเจ้าเกิดทุกภ พ, พทุกชาติเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราไม่เอาขนมใส่ในถาด น, นี่สีสากลของเราแตกเป็นเจ็ดภาคเพราะเรารู้เราเห็นอยู่เทพพญ า, าก็เลยเอาขนมใส่ในถาดเต็มเอดเลยเล ย, เอยพอเสร็จ พ, พ, พอไปถึงแล้วก็เ อ, เอามา มายกมาโอ้โหขนมอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยเอาเลี้ยงหมูทีนี่ใครก็โอ้โหอาหารขนมทําไมอร่อยถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นอนุรดท่ากันน้อยใจแตเอ๊ะแต่ก่อนแม่คงไม่รักเราเอแต่ก่อนเราไม่เคยได้กินเลยขนมอย่างนี้แสดงว่าแม่นี่ไม่เคยรักเราเอาแต่ขนมห่วยๆให้เรากินแต่ขนมดีๆอย่างนี้ทําไมคุณแม่ไม่ทําให้เรากินแต่ก่อนเอกลับมาก็เลยบอกว่าคุณแม่ ทำไม่ทำขนมแต่ก่อนนะทำให้ผมกินนะทำให้ผมรับทานนะทำขนมไม่ดีเลยแต่อันสุดท้ายนะทำไมทำขนมดีแล้วเกินผมทานแล้วโอ้อร่อยมากแม่ก็ตกตะลึงกับเอกเหมือนกันนะแม่ของอนุรุธทานอ้าวเป็นไงมหาเด็กเป็นยังไงล่ะโอ้อาหารขนมดีอย่างดีเลยคุณแม่แม่โอ้ดีใจลูกของเราหนอ เป็นผู้มีบุญจึงได้เป็นอย่างนี้จากนั้นมาถ้าว่าพระอนุรรธะเนี่ยอนุรรธะกุ ม, มารอยากจะเวยอยากจะสวยขนมเมื่อไหร่พระมารดาก็อเอาถาดสองใบมาและกับครอบกันเลยส่งให้เลยเงินเถอะถนนเต็มถาดเลยทุกครั้งนี่ยอันนี้แหะคือความเป็นมาของพระอนุรรธะเถระจากนั้นเมื่อพระองค์จะปรินิพาน เออเพราะเป็นน้องชายใช่ไหมลูกต่างๆพมารดาเพราพระองค์จะปรินิพานเออในวันเดือนหกเพนที่เมืองกุศินาราเออพระอนุรรธะก็นั่งเฝ้าเหมือนกับพระสงฆ์ทั้งหลายนั่งเฝ้าพระพระุทธเจ้าพอพระองค์บอกว่าขายะวยะธรรมมาสร้างคาราอัปปมาเดนะซัมปาเดทติสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยงเออ ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดพระองค์สั่งวาจาสุดท้ายนะจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เข้าสมาบัติเลยทถิดทการปรินิพานน ะ, ะทาการปรินิพานเข้าปฐมฌานทุติฌานตติฌานจะตุทัชฌานจนถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติคือเป็นสมาบัติชั้นที่7 จากนั้นก็ย้อนลงมาอีกพระสงฆ์ทั้งหลายก็นั่งนิ่งพระองค์ก็นั่งพ่อองค์พระพุทธเจ้าก็เงียบพราะพระองค์ปิดพระโอษฐ์และไม่พูดะพระสงฆ์ทั้งหลายก็สงสัยเอ้พระพุทธเจ้าปรินิพานได้ยังพระอนุรุทธเถีระเนี่ยได้รับเอธัตคะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้นิรุตติปฏิสัมพิทายานใครรู้จิตใจของใครใครคิดเรื่องอะไรพระอนุรุทธะนี่ยอยากจะรู้รู้ได้หมดใครคิดเรื่องอะไร ท่นี้พระโสดก็เลยถามว่าท่านท่านอนุรุทธเถระครับเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วอย่างอนุรุท ธ, ธว่าอย่างเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้ากําลังอยู่ในฌานนั้นนะในฌานที่ที่ห้าที่หกคำนวณเนี่ยเขาฌานที่เจดแล้วแล้วย้อนลงมาอีกร้องย้อนลงมาอีกที่ที่ที่หที่ห้าที่สี่ที่สาม ทีส่สทีน่งนี่กําลังย้อนกลับไปอีกพอพระพุทธองค์ไปย้อนไปถึงฌานที่4กับที่หรูปฌานกับอรูปฌานนะรูปฌานคือฌานที่สี่อรูปฌานคือฌานที่หพระพุทธองค์ปรินิพานในระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานที่4กับที่5้าปรินิพานตรงนั้นพอปรินิพานเสร็จเสร็จแล้วพระอนุทลาก็บอกว่าพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วหมด เลยจากสมมุติแล้วสมมุติไม่ได้แล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จะเอาสมมติตัวไหนไปเปรียบเทียบเหมือนกับนกบินในอากาศไม่มีรอยหมดแล้วพุดรองปรินิพานแล้วนะอันนี้ก็คือพระอนุรุทธะเถระที่เป็นน้อง เ, อเป็นลูกผู้น้องอลูกลูกของอาลูกของอาประพุทธเจ้านี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาในพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟัง คนนั้นเรื่องการสั่งสมบุญกุศลสั่งสมบา ร, รมีทั้งหลายเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าได้เกิดมาได้ทำบุญได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างองค์ท่าน้ถึงลังไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะแต่พวกเราก็เก็บหอม้อมริบสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราได้ทาไปแล้วไม่ไปไหนมันเข้ามา บุญกุศลแล้วนะั้นเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราทำบาปก็เหมือนกันนะลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมนะถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วความชั่วแล้วนะั่นก็ไม่ไปไหนอีกเหมือนกันนะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายพระนยังบอกว่าอกกตังลุกกตังเสยโยปัชชาตะปติทุกกตังกรรมชั่วอย่าทํำเฉลยดีกว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสฉลยดีกว่า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 นั่นหละ บ, บุญกุศลที่พวกเราได้ทำไว้แล้วนั้นจะเป็นผลทางเป็นเฉียงเดินทางของพวกเราเไปนานเท่านา น, านทีเดียวเพราะนั้นธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่ท่านประ ก, กาศให้เราฟังตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีหทุกวันถ้าอยู่ในละแวกนี้นะฟังที่สวนแสงธรรมร้อยเจ็หเมกะเฮิร์เนี่ยท่านจะพูดเรื่อง ธรรมะปฏิบัติเรื่องกิเลสกับธรรมธรรมกับกิเลสภายในจิตใจของพวกเราถ้าเราศึกษาหลายครั้งต่อหลายหนเราจะเข้าใจในธรรมคําสอนขององค์หลวงตาในเมื่อเราได้ฟังเข้าใจแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเรานั่นละ่ะมรรคผลนิพพานก็จะเป็นของเราเองไม่ใช่ของหลวงตานะแอบเพนพันธพีแต่ว่าไปขุดเอานาะทองอยู่ตรงนั้นนะ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 บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพวกเราปฏิบัติตามพวกเราก็จะประสบความสุขแล้วก็เป็นเศรษฐีธรรมขึ้นมาได้รวยง่ายพเพราะอะไรเพราะหลวงตาท่านได้ผาตดไปแล้วท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านจริงแนะนำบอกกล่าวให้พวกเราเพราะนั้นพวกเราเกิดมาพวกนี้ชาตินี้หลวงพ่อว่าพวกเราโชคดีนะคณะทฐาญาติโ ย, ยมลูกหลานโชคดีอย่างมากที่เราได้เกิดพบ พ่อแม่ครูบาอาจารย์พบศีลพบธรรมแล้วก็นำคิดพิจารณาดูซิว่าที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นนิยาณิธรรมเป็นสวากาตธรรม เ, เป็นธรรมที่พวกเราจะนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวายจาใจของเราให้เป็นคนดี เ, เรื่องศีลท่านแนะนํำยังไงเรื่องสมาธิท่านแนะนํำยังไงท่านปัญญ า, าปัญญาเนี่ท่านแนะนำท่านแนะนำอย่างไร ปัญญาคือการพิจารณาการกรองไตรตองเหตุแะผลจนเอาชนะใจของตนเองได้นั่นแหละปัญญาอันบริสุทธิ์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหลวงพ่อได้ให้แนวความคิดมากลายอย่างวันนี้และก็พร้อมกันต่อไปก็ให้เปิดเอ็ม MP สามให้ใหฟังต่ออีกนะฟังเทศของหลวงตาอีก ไม่นานเทศกุการณ์ในถวนเรื่องเรื่องปัญญาเรื่องสินสมาธิปัญญานะองค์หลวงตานะตอนนี้ไปนั่งสมาธินะคะนาศาศาศาาาักทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ เ, เพราะว่าเรานอนนอนมาพอแรงแล้วละ่ะนอนในโลกวัฏสงสารนี่ปฏิบัติธรรมดูซิฝืนดูิวันพูกนี้เราก็ไม่ได้ทำงานอยู่แล้วนะเป็นวันวันอาทิตย์นะวันนั้นเราวันนี้เราก็เสียสละออพอพฤชปฏิบัติธรรม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 จากรูปองจากรูปองลุงตาศิลธรรมของลุงตาเป็นสดิมงคลตลอดอันนานนานเท่านานครับต่อไปนี่ก็นั่งสมาธินัตินีเนาะ